สิกขาบทวิพังซีร้อยาคำว่าเมื่อจีวอสําเร็จแล้วหมายความว่าจีวอนของภิกษุเสร็จแล้วสูญหายแล้วชิบหายแล้วถูกไฟไหม้แล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรคําว่าเมื่อกรถินดอดแล้วหมายความว่ากถินดอดด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือ สงดอกกฐินในระหวา่างคําว่าสิบวันเป็นอย่างมากคือครอบครองไว้ได้สิบวันเป็นอย่างมากชื่อว่าอัตริกจีวรได้แก่จีวรนที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกับที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวอนหกชนิดอย่างได้อย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำวิกับได้เป็นอย่างต่าคาว่าให้เกินกาหนดนั้นไปต้องอบัตนิสกิยปาจิตตี ความว่าเมรุ่งอรุณวันที่ส1อจีวันเผื่อนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวันที่เป็นนิสขีอย่างนี้